เจริญนท่านสาธุชนพุทธบ ร, ริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่30ตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบห้าเป็นวันตักบาตเทโวของวัดญาณสังวรารามวลามหาวิหาร ในพระบรมมณขชูปฐมเป็นวันที่เราได้มาล้ำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสวรรค์หลังจากที่ได้ทรงขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาเป็นเวลาหนึ่งพรรษาจนได้ บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอาริยะบุคคลขั้นแรกเป็นผู้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายไม่ว่าจะเคยได้ทำบาปมามากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าได้ทำบุญได้ฟังเทศน์ฟังธรรมและสามารถทำใจให้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ ก็จะไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมนายบายอีกต่อไปนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงทดแทนพระคุณของธะมารดาที่ทรงให้พระกำเนิดแก่พระองค์ถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่เพียงเจ็ดวันหลังจากที่ทรงประสูติเจ้าชายสิทธัตถาก็ตามแต่ ความตัญยูกตเวทีของพระพุทธเจ้านั้นมีอยูยาาย่ในพระไทยเสมอดังนั้นหลังจากที่ได้ทรงตัดชนแลว้วก็อยากที่จะทดแทนพระคุณของพระมารดาจึงได้ใช้ ย, ยาแหลงหาดูว่าจิตของพระมารดาตอนนี้อยู่ที่ไหน พอสามารถติดต่อกันได้ก็ทรงใช้กระแสจิตสั่งสอนแก่พระพุทธมารดาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันผู้ที่อยากจะทดแทนมินณบิดามารดาให้ได้อย่างเต็มที่ก็ต้องทําให้บิดามารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน แต่ก่อนที่จะทำให้ผู้อื่นบรรลุเป็นโสดาบันได้เราจะต้องเป็นผู้บรรลุให้ได้ก่อนไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถสอนให้ผู้อื่นเขาบรรลุได้เช่นถ้าเรายังหุงข้าวไม่เป็นไปสอนให้คนหุงข้าวก็จะไม่สำเร็จเราต้องรู้จักวิธีหุงข้าวก่อนพอเราหุงข้าวได้แล้วเราก็สามารถสอนผู้อื่น ให้เห็นให้ ห, หุงข้าวได้อย่างถูกต้องนั่นอย่างดังนั้นถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณของบิดามารดาที่สูงส่งนี้เราก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนไปจนถึงขั้นวิปัสสนาคือต้องเริ่มต้นที่การทำบุญให้ทานรักษาศี แล้วก็จเจริญสมถะภาวนาทำใจให้สงบจากนั้นก็ให้จเจริญวิปัสนาภาวนาทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าสามารถปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจิตใจก็จะหลุดพ้นจาก ความหลงคือส ก, กายาทิฏฐิที่หลงไปยึดไปติดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราถ้าเรายังคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราอยู่แสดงว่าเรามีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะหลงยึดติด แล้วเราก็จะต้องมาเสียใจเวลาที่เขาจะต้องจากเราไปเพราะเขาไม่ใช่เป็นของเรานั่นเองแต่ถ้าเราเชื่อในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าและพยายามสอนใจอยู่เรื่อยๆให้คิดอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำลมไฟเมื่อร่างกายนี้ถึงเวลา ก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟแต่เราคือใจนี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องทุกข์ถ้าเรารู้ความจริงเราจะปล่อยวางได้ถ้าเราปล่อยวางได้เวลาร่างกายกลับคืนสู่เจ้าของเดิมคือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟใจของเราก็จะรู้สึกเฉยเฉย เหมือนกับเวลาที่ร่างกายของคนอื่นตายไปเราไม่รู้สึกเหลือดร้อนเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปยึดไปติดไปหลงคิดว่าเป็นของเรานั่นเองแต่ถ้าเป็นร่างกายของคนที่เรายังหลงยึดติดอยู่ว่าเป็นของเราเช่นเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเป็นรูปของเราเป็นสามีเป็นภรรยาของเรา เวลาที่เขาจะต้องจากเราไปเราก็จะต้องทุกข์ทรมานใจแต่จะไม่ทุกข์เท่ากับเวลาที่ร่างกายที่เรามีอยู่นี้จากเราไปดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในอบายก็ขอให้เราพยายามหมั่นปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบก่อน เมื่อใจสงบแล้วเราจะสามารถมองเห็นความจริงได้ใจเราเวลาไม่สงบก็เป็นเหมือนน้ําที่ไม่สงบไม่นิ่งน้ําก็จะขุ่นมองอะไรในน้ําไม่เห็นใจของเราก็เป็นเหมือนน้ําเวลาใจเราไม่สงบใจฟุ้งซ่านจะไม่เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจก็คือจะไม่เห็นความหลงที่ไปยึดติดสิ่งต่างๆ ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ถ้าเราทําใจให้สงบและใส่นิ่งสงบแล้วเราจะเห็นความหลงที่จะหลอกให้เราไปยึดไปติดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราแล้วเราก็จะสามารถสอนใจให้หายหลงได้เพราะความจริงมันไม่มีใครที่จะมาหลอกเราได้เช่นเราถ้าเรารู้ว่าสุนัขเป็นสุนัข ไม่มีไม่ว่าใครจะมาบอกเราว่าเป็นแมวเราก็จะไม่เชื่อแต่ถ้าเราเป็นคนเมาสุรานีบางทีเรามองไม่เห็นความจริงก็คนมาบอกสุนักว่าเป็นแมวก็อาจจะเชื่อได้ดังนั้นเราต้องทำใจของเราให้สงบก่อนต้องฝึกนั่งสมาธิให้มากๆกการที่ใจของเราจะสงบได้ ก็ต้องมีสติเป็นผู้ดึงใจเข้าสู่ความสงบใจเราถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนลิงที่ชอบเล่นชอบไปชอบวิ่งไปมาไปเล่นไปทำอะไรต่างๆใจของเราที่เป็นเหมือนลิงนี่ก็เพราะว่าชอบคิดไม่รู้จักหยุดจากยอมวันวันหนึ่งนี่คิดได้ทั้งวันคิดแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาดีใจบ้างเสียใจบ้าง ส่วนใหญ่จะเสียใจมากกว่าดีใจเพราะเราไม่รู้จักทําใจให้นิ่งไม่ให้คิดนั่นเองถ้าเราต้องการที่จะทําใจของเราให้นิ่งไม่ให้คิดอะไรเราก็ต้องใช้เชือกมาผูกใจเอาไว้<ม>เชือกของใจก็คือสติ<ม>เช่นพุทธานุสติแปลว่าให้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่ผูกใจให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ เช่นบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปทั้งวันอย่าไปคิดเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นอย่าต้องคิดคิดได้ในเรื่องที่จำเป็นเช่นเวลาทำงานจะต้องคิดใช้ความคิดก็คิดได้แต่อย่านั่งคิดด้วยเปื่อยอย่านั่งคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันคิดแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์ทำให้ใจฟุง้งซ่านทำให้ใจหิวใจอยากใจมีความทุกข์ แต่ถ้าเราคิดแต่คำว่าพุโทโธพุธโทโธไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นก่อนที่จะลุกขึ้นจากเตียงจะไปทํากิจอะไรต่างๆก็ให้ท่องพุโทโธไปภายในใจล้างหน้าอาบน้ำแปรงฟันก็พุโทโธพุธโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าหวีผมก็พุโทโธไปอย่าไปคิดในเรื่องที่ไม่จาเป็นจะต้องคิดแล้วใจใจเย็นใจจะว่า ใจจะนิ่งใจจะอยู่ในปัจจุบันจะไม่ลอยไปลอยมาเหมือนกับลิงถ้าเราจับจับมันไว้ผูกผูกเชือกไว้ที่คอมันแล้วก็ผูกมันไว้ที่เสาลิงมันก็จะไปไหนมาไหนไม่ได้มันก็ต้องอยู่แถวนั้นแหละเวลาที่เราจะต้องการเอาจับลิงเข้ากรงเราก็เอาเชือกลากคอมันเข้าไปในกรงได้อย่างสบายแต่ถ้าลิงไม่ได้เราไม่ได้ผูกเชือก ถูกขถูกลิงไว้กับเชือกปล่อยให้มันไปเพ่นพ่านตามสถานที่ต่างๆเวลาเราจะจับมันเข้ากรงเราจะไม่สามารถจับมันได้เพราะมันเร็วกับเรามากใจก็เหมือนกับลิงนี่เองที่ชอบคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนแม้แต่เวลาหลับก็ยังคิดความคิดของเรานี่แหละที่เป็นความฝันเวลานอนหลับใจเรายังคิดถึงเรื่องงานเรื่องนี้อยู่ ก็เลยกลายเป็นความฝันขึ้นมาเราเลยไม่ค่อยมีโอกาสที่จะมีความสุขจากความนิ่งของใจไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นความจริงที่มีอยู่ในใจของเราเราจึงต้องทําสมาธิทำใจให้สงบให้ได้ก่อนด้วยการผูกเชือกคือพุทธานุสติไว้กับจิตให้จิตคิดแต่คาว่าพุทโธไป แล้วพอเรามีเวลาว่าเราก็มานั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็ท่องพุดโธต่อไปถ้าเราไม่ไปคิพยเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเวลารวมก็เหมือนตกลงไปในบอ่อในหลุมแล้วก็วุ้กลงไปแล้วก็นิ่งแล้วก็เกิดความสุขเกิดความสบายใจสักแต่ว่ารู้ไม่มีอะไรให้รู้มีแต่ความว่ามีแต่อุเบกขา ความเป็นกลางไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยากได้อะไรไม่รักไม่ชังไม่กลัวนี่คือสภาพที่จะเกิดขึ้นถ้าทำใจให้สงบได้แล้วเราจะรู้ว่าเวลาเราหลงเวลาเรารักเวลาเราชังเวลาเรากลัวเราจะได้รู้ว่าอันนี้แหละคือกิเลสที่หลอกให้เราต้องวุ่นวายเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าเราไม่หลงไม่รักไม่ชังไม่กลัวใจของเราสงบเป็นอุเบกขาใจของเราจะมีความสุขอย่างยิ่งจะมีความมั่นคงมีความหนักแน่นจะไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรจะสามารถทำลายใจได้สิ่งที่จะทำลายใจได้ก็คือความไม่สงบของใจนั่นเองพอใจไม่สงบเมื่อไหร่ใจก็เครียดขึ้นมาทันที วุนวายขึ้นมาทันทีนี่คือการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติคือพุท ธ, ธานุสติถ้าเราเข้าสมาธิได้อย่างชนานาญแล้วอยากจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้แล้วเราครั้งเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยเหมือนเมื่อก่อนบังคับใจให้คิดไปในกับเรื่องของความเป็นจริง เช่นให้คิดว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีในในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงมีแต่จะให้ความทุกข์กับเราเสมอไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราถ้าเราหมั่นสอนใจเราอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยเวลาใจเกิดกิเลสหลอกให้ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะได้มีความจริงมา ต่อต้ามาสอนจิตสอนใจว่าอย่าไปเอามาเพราะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวเกิดเวลาได้มาแล้วเสียไปจะเสียใจเช่นได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวเวลาแฟนจากไปก็จะเสียใจจะทุกข์ใจมากกว่าตอนที่ไม่มีแฟนเสียอีกหลายร้อยเท่าด้วยกันเวลาไม่มีแฟนเราอยู่คนเดียวได้แต่พอเวลามีแฟนแล้วแฟนจากเราไป ตอนนั้นเราแทบอยากจะฆ่าตัวตายเพราะเราคิดว่าเราอยู่ไม่ได้เสียแล้วนี่คือผลที่จะเกิดตามมาถ้าเราหลงไปกับความหลงที่หลอกให้เราไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นสมบัติของเราเพราะไม่มีอะไรเป็นสมบัติของเรานั่นเองนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆหลังจากที่เราได้สมาธิแล้ว เพราะถ้าเราสอนใจอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะไม่ถูกความหลงหลอกให้ไปหาความทุกข์มาใส่ใจเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปหามานี้ต้องเป็นความทุกข์ต้องมีความทุกข์ตามมาอย่างแน่นอนดังที่ได้อธิบายไปแล้วเวลาได้มาก็ดีใจแต่เวลาเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจ ดังนั้นถ้าเรามีปัญญาสอนใจอย่างนี้ไปได้เรื่อยใจก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรเมื่อไม่มีความอยากต่างๆในใจแล้วใจก็ไม่ทุกข์กับอะไรเพราะไม่มีอะไรจะให้ทุกข์ด้วยนั่นเองมีแต่ความสงบมีแต่ความว่างมีแต่ความสุขที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่า นี่คือการสอนใจให้ฉลาดเพื่อให้เราปล่อยวางเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่ต้องไปเกิดในอบายเพราะเราจะไม่ทำบาปโดยเดีดขาเพราะเวลาถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะไปทำบาปทำไมคนที่ทำบาปก็เพราะว่ามีความอยากเช่นอยากได้อะไรแล้วไม่สามารถหามาได้โดยวิธีสุดเจริ ก็จะต้องไปหามาโดยวิธีทุจริตก็คือไปทำบาปไปทำผิดกฎหมายเมื่อทำบาปแล้วก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายแต่ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วยุดติแล้วเพราะไม่มีใะไม่มีความอยากที่จะหลอกที่จะดึงให้เราไปทำบาปเวลาตายไปใจของเราก็ไม่ต้องไปอบายนี่คือวิธีทดแทนพระคุณของบิดามารดา ถ้าเราสามารถปฏิบัติบรรลุเป็นพระโสดาบันได้แล้วเราก็จะสามารถสอนพ่อแม่ได้แต่การจะสอนนี้ก็ต้องดูก่อนว่าเขาพร้อมที่จะฟังหรือไม่เขาพร้อมที่จะรับคำสอนหรือไม่ถ้าเขาไม่พร้อมก็ไม่ควรที่ไปสอนเพราะจะไม่เกิดประโยชน์แล้วจะทำให้เขาไม่พอใจได้ที่ลูกมาสั่งสอนพ่อแม่ การสั่งสอนธรร ม, มานี้ต้องให้ผู้ที่ศึกษานั้นมีจิตศรัทธามีความอยากจะศึกษาก่อนถ้าเขาไม่มีจิตศรัทธาไม่อยากจะศึกษาก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเขาที่เขายังไม่มีความเห็นที่ถูกต้องยังไม่เห็นคุณค่าของธรรมะที่จะช่วยปลดเปื้องให้เขา ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องทำใจอย่าไปเสียใจเราก็ทดแทนบุญคุณด้วยวิธีอื่นไปเช่นดูแลเรื่องปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและเครื่องนุ่งหง่มให้พ่อแม่อยู่อย่างสุขอย่างสบายเหมือนกับที่เราอยู่ เร า, อ ย, ายอยู่สุขสบายกว่าพ่อกับแม่เราถ้าเราอยู่สุขสบายกว่าพ่อแม่เราแสดงว่าเราเลนบุญคุณของพ่อแม่เราไม่เหลียวแลดูแลพ่อแม่อย่างนี้ก็จะทำให้เราเป็นคนไม่ดีไปเพราะคนดีจะดีได้นั้นต้องมีความกตัญญูกะตะเวทีต้องล้ำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่อยู่เสมอ โบราณถึงสอนให้เรากลาบพระแล้วก็ให้กลาบพ่อกลาบแม่เพื่อที่เราจะได้รำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็กลาบได้กลาบกาบที่ห้องพระนี่แหละตอนที่เรากลาบพระหรือกลาบที่ไหนก็ได้เวลาเรากล่าวพระแล้วเราก็กลาบพ่อแม่เช่นเวลาก่อนจะนอนหรือเวลาตื่นขึ้นมาก่อนจะไปทำภารกิจอะไร ให้กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กราบพ่อกราบแม่เพื่อเราจะได้ล้ำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และของบิดามารดาและเราจะได้ไม่ลืมบุญคุณและเราจะได้พยายามตอบแทนบุญคุณทั้งของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และของบิดามารดาของเรา การตอบแทนบุญคุณก็ต้องตอบแทนด้วยการปฏิบัติบูชาทำความดีเช่นถ้าอยากจะบูชาพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัส ว, ว่าให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูช า, มาไม่จำเป็นจะต้องบูชาด้วยดอกไม้ทูปเทียนถ้าไม่มีดอกไม้ทูบเทียนก็ไม่สำคัญสำคัญที่ปฏิบัติบูชา าการปฏบิบัติบูชานี้เป็นการบูชาที่แท้จริงเช่นบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไรก็บูชาด้วยการปฏิบัติ ต, ตามพระธรรมคําสอนที่สอนให้ทําบุญให้ทางให้รักษาศีลให้ภาวนาถ้าเราปฏิบัติตามได้ก็ถือว่าเราได้บูชาพระพุทธเจ้าได้บูชาพระธรรมได้บูชาพระสงฆ์แล้วเช่นเดียวกับการบุ๊ บูชาพ่อแม่ก็บูชาด้วยการ ด, ด้วยการเลี้ยงดูพ่อแม่รับใช้พ่อแม่ช่วยเหลือพ่อแม่ให้พ่อแม่อยู่อย่างสุขอย่างสบายไปจนถึงวันตายถ้าเราทำได้เราก็จะถือว่าเราเป็นคนมีความกตัญญูถึงแม้ว่าเรายัางไม่สามารถที่จะทดแทนบินคุณให้หมดไปได้ พราะเราไม่สามารถทําให้ท่านได้เป็นพระโสดาบันแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทําหน้าที่ของเราตามสถานะภาพของเราแล้วเราก็จะอยู่อย่างเป็นสุขตายไปเราก็จะไปสุคติได้นี่คือเรื่องของวันตักบาตเทโวที่พวกเราได้มารำลึกถึงกัน เพื่อที่เราจะได้มีคติมาสอนเตือนใจเราก็คือความกตัญญูกะตะเวทีการทดแทนบุญคุณด้วยการปฏิบัติบูบชาถ้าเราล้ำลึกและปฏิบัติอยู่เรื่อยๆจิตใจของเราจะมีแต่จเจริญขึ้นไปตามลำดับจากจิตที่เป็นมนุษย์ก็จ ะ, จะเจริญขึ้นไปเป็นเทพจากเทพก็จะไปเป็นพรหม จากพรหมก็จะไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆเช่นท่านพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ในลำดับสุดท้ายเมื่อเราได้ลํำบรรลุ ถ, ถึงขั้นพระอรหันต์แล้วจิตใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์จะไม่มีพบชาติตามมาอีกต่อไปจิตของเราจะตั้งมอยู่ในพระนิพพานไปตลอด มีบารมีสุขเป็นที่ให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการไปถึงนิพานนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสูญหายไปไหนใจของเรายังมีอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ต่างกันตรงที่เวลาเราเวียนว่ายตายเกิดใจของเรานั้นมีแต่ความทุกข์มีแต่ความรุ่มร้อนใจแต่เวลาที่ใจของเรา ถึงพันธิพาแล้วความรุ่มร้อนใจความทุกข์ใจต่างๆจะหายไปหมดเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือผลที่เราจะได้รับถ้าเราปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และปฏิบัติบูชาต่อบิดามานดาของเราชีวิตจิตใจของเราจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไป จะไม่มีวันเสื่อมลงมาจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญในวันตักบาตรเทโวเพื่อให้เราได้รำลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระคุณของบิดามารดาและผู้มีพระคุณทั้งหลายเพื่อให้เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติบูชากันเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไป